ธรรมบัญญายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระบรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่สิบเอ็ดเข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา พูดกับพระเมื่อวันเข้าพรรษาวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2547วันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตของพระสงฆ์ในรอบปีก็คือวัน เข้าพรรษาหรือวันเริ่มต้นของพรรษาโดยเฉพาะสําหรับท่านที่บวชสามเดือนก็ถือว่าวันนี้เราเป็นวันแท้วันจริงที่ว่ามันก็เป้าหมายของการบวชเนี่ยมาเริ่มต้นวันนี้ส่วนว่าการบวชก่อนหน้านี้ก็คือว่าการเตรียมเพื่อจะมาเข้าบรรษาพราฉะนั้นแต่ละปีก็เป็นเพียงกําหนดว่า ให้ทันวันเข้าพรรษาก็มักจะกำหนดในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนวันเข้าพรรษาปีนี้ที่จริงก็ถ้าจะให้ได้เสาร์อาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าพรรษาก็คือเมื่อวานก็เป็นวันนาสานาบูชาก็กระชั้นเกิดไปเพราะเป็นวันที่มีพิธีเวียนเทียนถ้าจะมีการบวชโดยก็จะเกิดฉุกละหกได้ บางปีนี้ก็สารอาทิตย์ก่อนวันข่าวราษาสองสมวันก็เลยบางรุ่นก็บวชกันแค่สองสวันก่อนเข้าวราษาปีนี้สารอาทิตย์ที่ไม่กระชันนักก็เลยว่าต่อกันก่อนถึงจะเข้าวราษานี้ก็ก่อนหน้าข่าวราษาในเราเจ็ดวันพอดีเนี่ยก็เลยรุ่นนี้นับว่าบวชก่อนข่าวราษายาวหน่อย ก็ความตั้งใจก็คือมาเริ่มเข้าวพรรษาในวันนี้นั่นเองมีวันเข้าวพรรษาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแต่ปีนี้ก็มีพิเศษว่ามีแปดสองขนเมื่อมีเดือนแปดสองขนก็เลื่อนวันเข้าวพรรษามาเป็นวันแรมหนึ่งค่เดือนแปดหลังชาไปเดือนหนึ่งปีนี้ก็นับว่า เทียบกับปีกันก่อนแล้วช้าเป็นพิเศษเพอมาขึ้นเอาเดือนสิงหาคมเลยแต่เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมโดยมากวันเขา้าพรรษาจะอยู่แค่ในเดือนกรกฎาคมหายากที่จะมาถึงเดือนสิงหาคมต่อไปนี้ก็วันเขา้าพรรษาก็จะไหวเข้ายังตั้งไปถึงใกล้ๆต้นเดือนกรกฎาแล้วก็จะถึงแปดสองขนอีก แล้วก็มาเข้าพรรษาช้าเป็นเดือนแปดหลังอีกก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะเป็นเรื่องของจันทรคติกับสุริยคติมีวันเข้าพรรษาแรมเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดสำหรับปีนี้ก็แปดหลังได้แก่วันนี้ก็นับไปสามเดือนก็เป็นครบในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันสุดท้ายของพรรษา เราเริ่มต้นพรรษาเราอธิษฐานคือกำหนดใจไว้แล้วก็กล่าวเปล่งวาจาออกมาแสดงความกำหนดใจว่าอยู่ประจําที่นี้สามเดือนครบเมื่อไรก็ออกมานั้นก็คือสิ้นสุดหมดตัวเองแต่ว่าเพื่อเป็นเครื่องกําหนดหมายให้รู้กันก็เลยมีวันออกพรรษาก่อเปล่งก็ครบเมื่อไรก็ออกมานั้นโดยไม่ต้องมีพิธีพิเศษ ไม่ต้องมีไม่ต้องมีพิธีออกพรรษาพรรษาออกไปเองในเมื่อวันครบสามเดือนแต่ว่าจะมีสังฆกรรมอื่นเข้ามาเี่อันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็รวมความก็คือว่าเข้าพรรษาวันนี้ไปสิ้นสุดจบในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดในในการจําพรรษานี้ก็คือ อยู่ประจําที่ตลอดสามเดือนในอยู่ประจําที่กําหนดด้วยอะไรก็กําหนดวัตทุกวันอยู่ที่วัดทีนี้จะอยู่ที่วัดตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อาจเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่ชเช้าก็ไปบินดั บ, บาลก็ต้องมีแบบแผนของส่วนรวมเพื่อเป็นเครื่องกําหนดว่าเอาเวลาจุดใดที่เป็นเครื่องกําหนดหมายแต่ละวันว่าตอนนั้นนะ่ะอยู่ในวัด นี้การกำหนดวันคืนของทางด้านตะวันออกเราเนี่ยใช้พระอาทิตย์เป็นตัวกำหนดไม่เหมือนสังคมตะวันตกที่เราไปรับเอามาที่เรียกปฏิบันิว่าสากลก็ไปกำหนดเอาว่าเที่ยงคืนนี่เป็นสิ้นสุดวันแล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ขึ้นวันใหม่อันนี้เราเพิ่งมารับตะวันตกในตอนยุคหลังแต่ก่อนนี่เราก็ถือตามแบบของเราเดิมก็เอาพระอาทิตย์เป็นหลัก ถือรุ่งอรุณถือพระอาทิตขึ้นก็เป็นขึ้นวันใหม่ก็ถือกำหนดอันเนี้ยว่าตอนที่รุ่งอรุณเนี้ยที่ขึ้นวันใหม่เวลานั้นอยู่ในวัดอัน น, นก็เลยถือจุดนี้เป็นสำคัญว่าตอนรุ่งอรุณเนี้ยให้อยู่ในวัดจะได้เป็นเครืกำหนดหมายร่วมกันไปไหนก็ตามก็ไปันว่าให้ทันกลับมาให้ทันรุ่งอรุณ ให้มารับอรุณในวัดอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญแม้แต่ว่าอย่างการออกบินดบบาบเมื่อถือว่ารับอรุณในวัดถ้าเราไปออกบิณน บ, บาตเช้ามืดยังไม่ทันสว่างก็ทําให้ขาดภาษาได้อันนี้ก็ต้องรู้หลักกันไว้เอาแล้วก็ไปอันหนึ่งก็เรื่องเวลา เป็นนั้นว่ากำหนดหมายกันว่าให้เอาการรับรุ่นุงอรุณนี้เป็นวันขึ้นวันใหม่รับอรุณที่วัดนี่ก็ต้องรู้เขตวัดเขตวัดนั่นก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายก็คือมีกำแพงบันทิกกำหนดกำแพงก็ล้อมรอบหมดแล้วก็เลยไม่ต้องอธิบายมากสมัยก่อนในวัดยังไม่มีกำแพงในวัดสมัยก่อนตามชนบทก็ไม่นิยมมีกำแพง เพราะเป็นสถานที่เรียกว่าสาธารณะก็ต้องกำหนดหมายโดยรู้กันทางทางวัดก็อาจจะต้องมีงการชี้แจงว่าเขตวัดของเรานะที่จะต้องรับอรุณนะอยู่แค่นี้แค่ น, คนี้แต่ว่าสำหรับของเราตอนนี้ก็ไม่ต้องชี้แจงอะไรก็บอกว่าเอากำแพงเป็นหลัก ก็แปลว่าต้องอยู่ในเนี้ยรับอรุณในเขตวัดเนี่ยสามเดือนทุกวันทุกวันอันนี้ทีนี้ต่อไปก็มีปัญหาอีกว่าเอแล้วก็ถ้าเกิดมีธุระสำคัญจาเป็นจริงๆอยู่ติดต่อเนื่องกันทุกวันไม่ได้ทำไงไ้ยก็มียกเว้นให้อีกว่าถ้ามีกิจจำเป็น ที่จะเป็นนี่ก็มีหลายอย่างเช่นว่าอุูปชาอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่วัดอื่นแล้วก็ท่านเจ็บคข้ได้ป่วยอย่างหนักอะไรเงี้ยจะไปพยาบาลอะไรก็อนุญาตว่าให้เดินทางไปค้างแรมที่อื่นได้เพราะอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆเรื่อ บ, บิดามารดาโยมพ่อแม่ ก็อยู่ไกลก็เจ็บป่วยหรือแม้แต่ว่าไม่ไกลนักแต่ว่าต้องไปรักษาพยาบาลหรือว่ามีกิจนิมนต์สําคัญไปรักษาศรัทธาญาติโยมกิจการพระศาสนาสําคัญเนี่ยอันนี้ท่านก็ยกให้ว่าให้ไปได้ในกําหนดเวลาเพียงเจดวันเขเรียกกันเป็นภาษาคําพูดภาษาพูดว่าสัตตาหะไป คำว่าสตาห์นี่ก็มาจากคาว่าสัตาหาการณียะสะตาหาการณียะก็แปลว่ากิจที่พึงกระทําให้เสร็จในเจ็ดวันก็หมายความว่าอนุญาตให้แค่เจ็ดวันต้องกลับมาให้ทันครบวันที่เจ็ดนี้ต้องกลับมารับอรุณทีวัดทีนี้ถ้ามีกิจอย่างนั้นไม่จบก็แปลว่าสัตาหาใหม่แต่ว่าเจ็ดวันนี้ต้องกลับมารับอรุณที่วัด ก็แปลว่าสตาหไปใหม่ได้ก็ทำเป็นแบบแผนไปอันนี้ก็ตัวรายละเอียดนี่ก็ไม่ยากอ่เวลามีเหตุจริงๆก็ไถ่ถามแล้วดูหนังสือได้มีอะไรบ้างเพราะมันก็ยุดหยุ่นกิจสำคัญก็นี่แหละก็เกี่ยวกับบุคคลบ้างเกี่ยวกับธุระการงานบ้างการวาสนาสนาแล้วก็ความสัมพันธ์กับประชาชนในแง่ไปสงเคราะห์ แม้แต่ว่าไปแสดงธรรมไปโปรดเขาได้รับกิจนิมนต์ไปก็สงเคราะห์เข้านี่ก็เป็นเรื่องข้อยกเว้นก็ให้ทราบกันไว้ส่วนอื่นก็มาถึงเรื่องตัวการจำรรษาเองการจำรรษานี้ชีวิตสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเอง ชีวิตในพรรษากับนอกพรรษาต่างกันมากแต่เวลานี้พระอยู่ค่อนข้างประจําที่อยู่ประจําวัดวัดไหนก็วัดนั้นบางทีชีวิตในพรรษานอกพรรษาแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ออกพรรษาพระกจาริกไปไปเรื่อยไปไปเมืองโน้นเมือ ง, งนี้พอถึงพรรษาก็ไปอยู่ประจําที่เพราะฉะนั้น สมาชิกของสังฆะหรือพระภิกษุที่มาอยู่ร่วมกันนี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยปีนี้ก็ที่วัดนี้ก็มีพระมาองค์โน้นองค์นี้มารวมกันเข้าเป็นชุดหนึ่งพอมาอีกปีนึ่งอ้าวแยกกันไปแล้วมาเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่มาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองพระต้องมีสังกัดอยู่ประจาที่แน่นอน ก็เลยกลายไปว่าอยู่กันประจําวัดไหนวัดนั้นสมาชิกก็เหมือนเดิมนอกจากองค์ไหนลาสิกขาไปองค์ไหนมาบวชใหม่เพิ่มเข้ามาก็มีเปลี่ยนแปลงแค่นั้นแต่ว่าเราก็ถือธรำรเนียมตามพระวินัยมาให้มีการจําบรรษาแต่ให้รู้ว่าภูมิหลังพื้นเดิมเป็นอย่างนั้นก็คือชีวิตสมัยก่อนนั้นเป็นชีวิตของการจาริกเนี่ยก็อยู่ประจําที่ในบรรษา ในการอยู่ประจำที่ในภาษาของพระสมัยก่อนนี่ก็จะมีความหมายอีกแบบนึงก็คือว่าตอนนอกภาษาเนี่ท่านก็จะไปไปเพื่อไปหาสถานที่สาหรับไปศึกษาไปปฏิบัติไปฝึกฝนตนเองเล่าเรียนอะไรหรือว่าไปอยู่กับชุมชนที่โน่นที่นี่และพอจำภาษาท่านก็อยู่ประจำกับที่การที่ท่านอยู่ประจำที่นั้น ก็มีข้อดีก็ทําให้พระทีท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีภรรษาอายุการไม่เท่ากันเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันบางท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์มากเป็นครูอาจารย์ก็เป็นโอกาสให้พระที่มีพรรษาน้อยกว่ามีการเล่าเรียนน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าก็ได้มาเล่าเรียนศึกษาเพิ่มเติมกับพระที่อยู่ในระดับครูอาจารย์ ตอนนั้นจากนั้นก็คือพระสง์อยู่ประจําที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้มารับความรู้จากพระที่มาอยู่กันพรั่งพร้อมได้ฟังธรรมได้มาทําบุญต่างๆนะก็เลยกลายไปว่าก็เป็นประโยชน์แง่หนึง่งประโยชน์ในช่วงจำพรรษาพอออกพรรษาพระก็กระจายกันไปทีนี้มาถึงสมัยนี้พระอยู่ประจําที่แล้วก็เปลี่ยนไปว่า พระในรรษาจะมีจำนวนมากพิเศษไดเรามีประเพณีบวชเรียนเพิ่มขึ้นมาสำหรับเมืองไทยเรามีประเพณีว่าบวชเรียนจำรรษาก็มีพระใหม่มาอยู่จำรรษาก็เกิดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์พิเศษก็คือว่าสังคมไทยต้องการให้ท่านที่เป็นกุลบุตรอายุยังน้อยได้มีโอกาสเข้ามาเล่าเรียนศึกษา พระธรรมวินัย ห, หรือศึกษาพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชอยู่ระยะนี้แลพระสงฆ์ที่เป็นผู้เก่าก็ควรจะทำหน้าที่การงานพิเศษในช่วงนี้ก็คือว่ามาช่วยให้ความรู้มาอบรมสั่งสอนแล้วก็ประชาชนก็ในเมื่อพระสงฆ์อยู่กันพร้อมมีจำนวนมากพิเศษอันนั้นก็อนุรลมคล้ายๆโบราณก็คือได้มาทาบุญ มากขึ้นแล้วก็ไปสัมพันธ์โยงกับพระใหม่ว่าญาติโยมมิโยมพ่อโยมแม่เป็นต้นก็มาทำบุญทำกุศลมากเป็นพิเศษด้วยอันนี้ก็โยงกันไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที น, นี้เราก็เอาเรื่องของวันพรรษาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในแง่วัฒนธรรมประเพณีก็ทําให้สังคมไทยนี่มีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนกับหลายประเทศที่เป็นประเทศพูดเหมือนกันที่เขาไม่มีประเพณีบทเรียนอย่าง น, นี้ก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเอกลักษณ์แม้จะเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเถราวาสเหมือนกันแต่ว่ามีวัฒนธรรมเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีพอมีเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะมีประเพณีบทเรียนแล้วก็กิจกรรมอื่นก็ตามมาเนะช่นว่าพอเข้าบรรษาแล้วก็จะมีการ เปิดเรียนคณะสงฆ์ก็จะจัดหลักสูตรที่เรียกว่านวักะขึ้นมาหรือก็คือตามแนวของระบบนักธรรมเป็นนักธรรมตรีให้ได้เล่าเรียนกันแล้วก็จัดให้เหมือนกันทั่วประเทศจะมีการเปิดเรียนเช่ไหมวันเก้าค่าเดือนแปก็เปิดเรียนเรียกได้ว่าพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็เรียนไปก็มีการจัดสอบอีก นะมีการให้ประกาศบาอะไรนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการที่วางคือนมาสืบเนื่องจากวัฒนธร ร, ธรรมประเพณีทำให้เป็นแบบแผนขึ้นเป็นส่วนที่งอกออกมาขยายเพิ่ ม, เ ต, มเติมกันไปแต่สารธรรมการก็คือว่าให้การบวชนี้ได้ประโยชน์ที น, นี้สำหรับท่านที่มาบวชตามประเพณีวัฒนธรรมนั้น ก็เป็นประเทณีวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานขออหลักการของพุทธศาสนาก็คือเอาหลักการพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลแก่สังคมไทยก็กลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาว่าเราจะเอาหลักการนี่มาใช้ประโยชน์อย่างไรตรงนี้ก็คือทําให้ได้สาระไม่เป็นเพียงประเพณีหรือรูปแบบภายนอกพอเราเข้าถึงหลักการเอาหลักการไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นก็คือสมความมุ่งหมายของวัฒนธรรมประเพณีที่แท้ก็คือให้การ ประเพณีการบวชเรียนเนี่ยมาสอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาที่ว่าให้ผู้ที่บวชเข้ามานั้นได้รับการศึกษาการบวชองเราก็เลยเรียกกันว่าบวชเรียนการบวชก็เพื่อเล่าเรียนศึกษาเพราะนั้นสาระสําคัญก็จึงอยู่ที่การเล่าเรียนแต่ว่าการเล่าเรียนของเรานี่มันก็ไม่ใช่งเพียงการเรียนในชั้นการเรียนหรือการศึกษาในที่นี้ ก็อยู่ในหลักที่เรียกว่าใจสิกขาใจสิกขาก็มีสีสมาธิปัญญาศีลก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาตลอดถึงการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมพันธ์กับโลกภายนอกสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของสิ่งของเสบบริโภคทุกอย่างหมดอันนี้ก็คือเรื่องของสีสีมีความหมายกว้างกว่าที่เรา เข้าใจที่เรานึกเช่นว่าเป็นนึกศีลห้าก็าจะเป็นเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันเท่านั้นแต่ที่จริงนั้นก็เป็นเรื่องของการรักษาทางพฤติกรรมกายวาจาทั้งเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องการกินเสพบริโภคกา ร, ก, ารก็พูดง่ายๆก็คือการสัมพันธ์การสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางวัตถุให้ได้ประโยชน์กับชีวิตของเราให้เป็นการพัฒนาตัวเรา แล้วก็ให้มีผลดีแก่สิ่งแวดล้อมวด้าก็สนิ่งแวดล้อมด้านอื่นเช่กบบ น, น, นการกินเสพบริโภคก็จะได้รู้จักประมาณเป็นต้นนะก็เป็นการลดการเบียดเบียนหรือว่าทาให้เกิดการเกือ้อกูลกันไปนั่นเองรวมความมันมีผลถึงกันแล้วก็ สมาธิก็เรื่องของจิตใจทั้งหมดไม่เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าสมาธิแต่สมาธินี่เป็นคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตใจที่ว่าเป็นเหมือนกับที่รองรับเป็นจุดร่วมของคุณสมบัติทางจิตใจก็เลาสมาธิมาเรียกเป็นตัวแทนของด้านจิตใจทั้งหมดแต่ในภาษาทางการจริงๆนะถ้าไม่เรียกว่าสมาธิสิกขานะจะเรียกอธิจิตตสิกขาศั์แท้ๆเรียก่งั้น ไม่เรียกสมาธิสิกขาหรอเรียกอธิจิตตสิกขาเป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมดก็คือเป็นการฝึกฝนในเรื่องจิตใจทั้งด้านคุณธรรมความดีความงามต่างๆทั้งเรื่องของความเข้มแข็งสติสมาธิความเพียรพยายามความรับผิดชอบความอดทนอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งเรื่องของภาวะที่มีความสุขความร่าเริงเบิกบานผอ ง, ง, ง, ง, องของจิตใจ การรวมนี้หมดและทั้งคุณภาพจิตสมตรรถภาพจิตสุขภาพจิตแล้วก็ไปเรื่องของปัญญาความรู้เข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายทั้งเรื่องของข้อมูลความรู้เรื่องของหลักธรรมวิทยในเล่าเรียนเนี่ยทั้งเข้าใจและทรงจําไว้แล้วก็ปัญญาในเชิงของการคิดการพิจารณาสิ่งต่างๆการคิดสืบสาวหาเหตุผลหนาะความจริงการพิจารณาแก้ปัญหา ต่างๆคือจนกระทั่งถึงรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายตั้งแต่ความจริงในระดับทั่วไปจนถึงความจริงของโลกและชีวิตความจริงของสังขารของสัตวจัตธรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เรื่องปัญญานี่เรื่องของศีสมาธิปัญญาที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตของเราทุกขณะที่เราจะต้องได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปพัฒนามันไป นั้นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นการศึกษาที่แท้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลอดเวลาไม่จะขึ้นต่อการเล่าเรียนในชั้น่นการเล่าเรียนในชั้นนี้ก็คือเป็นตัวที่มาช่วยจัดตั้งเนี่ยเป็นการศึกษาจัดตั้งไม่ใช่การศึกษาแท้การศึกษาจัดตั้งก็เพื่อให้มันเป็นตัวมาเหมือนกับมาบีบมากำหนดมาทำให้ต้องมีการ ศึกษาที่แท้ขึ้นมานะมันมาเป็นเงื่อนไขมันมาช่วยนะเร่งรัดกระตุ้นทําให้การศึกษาในตัวเราที่แท้เนี่ยมันดําเนินไปแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้ที่จะใช้ในการศึกษาที่แท้นั้นถ้าเราไม่ได้ข้อมูลความรู้เราก็ขาดหลักในการที่จะไปพัฒนาเรื่องสีสมาธิปัญญามันก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ก็เลยกัดเกิดการเรียนในชั้นขึ้นมาแต่ให้เข้าใจว่าการเรียนในชั้นนั้นมันไม่ใช่ตัวการศึกษาที่แท้หรอกเป็นเพียงส่วนหนึ่งจะเห็นว่าในเวลาเรียนในชั้นเองเราก็ต้องมีการศึกษาที่แท้เข้าไปปนนอกจากเรียนรู้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนี้ยก็จะมีการฝึกเช่นว่าในทางกายวาจา เ, เมื่อมีการเล่าเรียนในชั้นก็มีการอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นมีการจัด ระบบการสัมพันธ์ต่อกันในกิจกรรมในการเรียนการสอ น, นการปฏิบัติต่อการระหว่างครูอาจารย์ลูกศิษย์การที่เรียนหนังสือด้วยกันและปฏิบัติต่อการช่วยส่วนรวมอย่างไงรักษาระเบียบแบบแผนรักษาความสงบมีระเบียบลำดับในการที่จะเรียนอย่างไรอะไรนี้ก็คือเป็นการสุขผลที่เรียนวิชากาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมาดำเนินไปตลอดเวลาให้ส่วนที่เป็นเรื่องของ ระเบียบแบบแผนกิจกรรมการที่จะเนินเนินการศึกษาจัดตั้งไปให้ดีทั้งหมดนะั้เป็นการศึกษาที่แท้เท่านั้นส่วนข้อมูลที่ได้ในการฟังครูอาจารย์นั่นก็เป็นส่วนสําคัญที่จะไปเกื้อนหนุนให้ตัวการศึกษาที่แท้นี้ดําเนินไปแต่การศึกษาที่แท้ก็คือการที่ทําให้พฤติกรรมกายวาจา ก, การสัมผันสกับสิ่งแวดล้อมจิตใจของเราและก็ปัญญาของเราเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งจะอาศัย กิจกรรมตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตอ น, นั้นก็ที่เรียกบทเรียนนี่จึงมีความหมายกว้างการเล่าเรียนศึกษาเนี่ยจึงมีทั้งเรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของกิจวัตรเรื่องของการฝึกปฏิบัติอาจจะจัดพกิจกรรมพิเศษมีการฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องนี้ก็เพื่อให้ผลให้เราทุกท่านเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามในใจจิตขา่า นี่ก็แปลว่าตัวสิกขาทั้ง3เนี่ยเป็นตัวแกนเป็นสาระที่แท้จริงของการบวชเรียนที่เราต้องการการบวชเรียนก็ก็คือการเจริญใยสิกขานั่นเองโดยอาศัยหลักที่เราจะได้เรียนรู้มาเป็นข้อมูลความรู้ในเชิงของหนังสือตำรับตำราครูอาจารย์เล่ า, าให้ฟังอบอกสั่งสอนถ่ายทอด ท้งในชั้นนอกชั้นนี่ก็เป็นส่วนที่จะมาเกื้อหนุนให้เราทําได้ผลดีอันนี้การเล่าเรียนศึกษาอย่างเงี้ยจะดําเนินไปได้ดีมันก็เลยมีหลายด้านที่ต้องเกี่ยวข้องกันถ้าพูดไปแล้วก็พูดที่บวชเข้ามาเวลาเรามาอยู่ในพระจำพรรษานี่ก็คือเราจะมาเจริญใจใจศึกขาให้เต็มที่ถ้าแยกแยะออกไปก็มองไป็ความรับผิดชอบเพื่อจะให้เกิดผลในการศึกษ า, น, า, านี่ไหลได้ ก็เหมือนกับว่าหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อตัวเองตัวเองเนี่ยแน่นอนเป็นแกนและจะทํางานให้ไตรสิกขานี้จเจริญงอกงามไปและพร้อมกันนั้นก็คือเราก็มีส่วนร่วมอยู่ในสังขะนี้เราก็เลยมีความรับผิดชอบต่อสงส่วนรวมต่อวัดของเราแล้วก็ขยายไปถึงสงทั้งหมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยแต่ว่าใกล้ใก้ชิดก็คือวัดเราเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมด ทุกท่านแต่ละองค์ก็มีความรับผิดชอบต่อสงรวมกันแล้วต่อไปก็มีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาอันนี้ก็รวมอยู่ในนี้ก็เอาจุดสำคัญถึงเองก็เอาแค่ว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสงส่วนรวมริ่มแต่วัดแล้วก็สามรับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อประชาชนนี้ก็รับผิดชอบต่อประชาชนที่มาวัดชุมชนรอบวัด หรือใกล้ชิดตัวเองก็โยมพ่อโยมแม่เป็นตน้นไปอย่าที่เคยพูดกันว่าบวชมานี่โยมพ่อโยมแม่ก็เหมือนกับร่วมบวช ด, ด้วยเนี่ยทําบุญกุศลเต็มที่เพื่อให้ลูกได้บวชแล้วก็ติดตามคอยดูคอยฟังตลอดเวลาใจก็มาอยู่กับท่านที่บวชเนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่าทําบุญร่วมกันตลอดเวลาถ้าท่านทําได้ดีก็โยมก็ได้บุญได้กุศลด้วย ในแง่นี้ก็เหมือนกับท่านรับผิดชอบต่อโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านผู้ใหญ่ไปได้กันหมดแต่ว่าก็หมายถึงรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งหมดที่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับศ า, าสนานี้เกี่ยวข้องกับตัวเองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้การเล่าเรียนศึกษาเจริญใจศึกษาที่ตัวเองจะต้องทําต่อไปรับผิดชอบต่อสงส่วนรวมันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือ เราก็ต้องช่วยให้สังฆะส่วนรวมเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีเป็นสังฆะที่มีความงดงามแล้วก็จะสามารถดำรงพระศาสนาได้แล้วก็เป็นสังฆะนี่เองก็มีความหมายต่อสังคมเพราะสงส์นี่แหละรปโยงกับประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมการสงก็มีเพื่อประชาชนเพื่อสังคมแล้วก็สงก็อยู่ได้ในสังคม ถ้าสังคมไม่ศรัทธาไ ม, ม่เกื้อหนุนสังฆะก็อยู่ไม่ได้หรือสังฆะพระสงค์นี่ไปชักจูงประชาชนในทางที่ผิดสังคมก็เสื่อมลงไปใช่ไหมนะก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันก็มาถึงแต่ละองค์เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไปด้วยก็การรับผิดชอบต่อประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อสังฆะและสังฆะนี่เองเมื่อสังฆะดีนี มีความงดงามดําเนินกิจวัตรเป็นไปได้ดีมีสามคัคคีมีความพร้อมเปลี่ยนสังขานั้นก็เป็นสภาพเอื้อต่อการจเจริญใจศิกษาการพัฒนาตัวของแต่ละท่านถ้าสังฆะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ละท่านก็ประพฤติปฏิบัติลําบากอย่างส่วนรวมหลายองค์เขาไม่เอาใจใส่การศึกษาเนี่ยมีองค์หนึ่งหรือสองสาองค์จะเอาใจใส่ ก็ลำบากองค์เหล่านั้นที่ตั้งใจก็จะติดขัดวุ่นวายนะดำเนินไปได้ไม่ดีแต่ถ้าสังฆะทุกองค์มีความพร้อมเพียงกันแต่ละองค์ตั้งใจทำนาทีสังฆานั้นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามด้วยแล้วก็เกื้อหนุนให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองจเจริญใจศิกขาได้เต็มที่แล้วก็องค์อื่นๆก็จะมาเกื้อหนุนกันฉันมีความ สนใจร่วมกันก็มาถกเถียงมาสนทนาปราศัยมาหาความรู้ร่วมกันครูอาจารย์ก็จะมาช่วยให้คําแนะนําปรึกษาแต่ท่านที่เป็นสิทธ์ก็ชีวิตที่มีสังขาก็คือเราจัดตั้งเนี่ยเพื่อให้ชุมชนหรือสังคมเนี่ยเป็นสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาตนของแต่ละคนนี้เองเนี่ ย, ยแต่ว่ามองไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเราแต่ละคนนี่เราไปชอบตัดส่วนรวมช่วยให้ส ง, งา่าง แต่ความจริงมันย้อนกลับมาก็คือสังสังขา ง, งดงามมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดีก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละท่านพัฒนาตนเองดีถ้าไม่สามัคคีการมีความขัดแย้งกันเท่านั้นแหละก็ยุ่งและใจเราก็มีความขุ่นโมวเศร้าหมองการที่จะได้เจริญใจศึกษาเล่าเรียนศึกษาศึกษามันก็ไม่ปลอดโปร่งมันก็ติดขัดไปเองเนะี่พราะนั้นก็เลยท่านก็เลยเน้นเรื่องชีวิตส่วนรวมที่เป็นสังฆะและมันก็มา เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ละบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด, ดีรับผิดชอบจะสงก็ทําสงให้งามแล้สงที่งามมีความสามาัคคีเรียบร้อยดีก็กลับมาเกื้อหนุนแต่ละบุคคลให้เจริญงอกงามเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผู้ที่ปฏิบัติชอบดีเนี่ยท่านเรียกว่าสังคสโภพ น, นแปลว่าผู้งามในสงก็ะดัผู้ทาสงให้งามเนี่ยท่นนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ท่าน ยกย่องแล้วก็กระตุ้นหนุนให้เราพยายามทําตัวอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องความสามัคคีความพรัชพร้อมเพลียงกันทํากิจต่างๆแล้วก็มีใจร่วมกันที่จะทําให้เราทําอะไรก็ปลอดโปรง่งเพราะมีความสามัคคีกันมีความปรารถนาดีต่อกันและทีนี้จะทําอะไรก็เท่ากับมาเป็นกำลังใจกันก็ยิ่งทําได้ผลดีต่างๆ ทั้งภายในแต่และองค์ก็ทำได้ผลดีทั้งภายนอกเวลามีกิจการร่วมกันก็มาดร่วมกันทำอีกก็สาเร็จผลได้ดีเนี่ยนี่คือเรียกว่ารับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังฆาแล้วต่อไปก็ขยายไปถึงประชาชนแล้วก็สังฆาประชาชนก็สังฆาก็เอาวัดเป็นที่กำหนดวัดก็สัมพันธ์กับชนนอกวัดตั้งแต่เชาพระไปบิณฑบาตก็สัมพันธ์กับญาติโยมและ แล้วก็โยมก็มาวัดก็สัมพันธ์กันชีวิตพระเนี่ยก็ย้ำในที่นี้บอกว่าคนข้างนอกบางทีไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพอเนี่ยไม่เข้าใจนึกว่าพระสงฆ์เป็นนักบวชเหมือนอย่างกับพวกฤาษีเนี่ยพุทลังบางทีก็ไปเข้าใจผิดเคยมีก็ตำราพรทธลังก็เรียกพุทธศาสนาเป็นแบบพวกฤาษีฤาษีจี่ปลายเขาเรียกว่าอะเซติซิซึม ซึกต่างกันมากกับพุทธศาสนาพวกฤษีจีไพร์นั้นก็คือเขารังเกียจสังคมเขาก็ตัดขาดจากสังคมปลีกตัวไปจากสังคมไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วไปหาเผือกหามันกินเองไม่พึ่งชาวชาวบ้านนานๆก็ไปหาเกลือสักทีมาในหมู่บ้านเพื่อหาเกลือว่าไงสมัยก่อนเป็นยางงั้น นอกจากนั้นแล้วก็กินเผกกินมันกินผลไม้อยู่ลําพังแล้วก็บำเพ็ญสมาธิได้ฌานก็เล่นฌานมีความสุขกับการเล่นฌานเรียกว่าฌานกีฬานะฮะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งฌานกีฬาสนุกพวกัสสีนี่เล่นฌานกีฬาก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้พระพุทธเจ้าตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าไปเห็นแล้วชีวิตแบบนี้พระองค์ถือว่าเป็นสุดโต่ตัดขาดจากสังคมไปเลย พรองค์ก็มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาแล้วก็ให้ชีวิตพระเนี่ยนึ่งอยู่กันเป็นชุมชนมีความรับผิดชอบต่อกันสังฆะอยู่ร่วมกันแม้จะให้มีความสงบวิเวกเนก็คือถือความวิเวกสงบเป็นสำคัญแต่ไม่ให้ตัดขาดจากชุมชนจะไปอยู่แบบฤาษีตัวคนเดียวหรือสองคนไม่ได้ ก็หมายความมีชุมชนของตัวอย่างน้อย15บหวันต้องมาประชุมกันนะแล้วต่อจากนั้นจะไปอยู่สงบก็ไม่ว่านะแล้วนอกจากบางครั้งระยะบางระยะก็ยอมให้เช่นว่าปลีกมตัวพิเศษสหรับพรรษานีนะ้โดยอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เคยประจำพรรษาพรรษานั้นก็ทรงปรีกพระองค์แล้วก็มีพระที่ส่งพัตตาหารเฉะพาะแต่โดยปกติ เราไม่นับกรณียกเว้นก็คือพระต้งอยู่กันเป็นชุมชนมีความสงบแต่ก็มีชีวิตเป็นสังฆะด้วยคำว่าสังฆาเนี่ยเป็นตัวบอกเสร็จว่าในพุทธศาสนาหลักการในมุ่งสังคมนะ่ไม่ให้ตัดขาดคือแต่ว่าเป็นทางสายกลางก็คือไม่ร่วมสังคมจนกลายเป็นครุกคนะลีนและก็ไม่ใช่ว่า ห่างจากสังคมจึงกลายเป็นตัดขาดเนะี่ยก็หนึ่งก็คือในหมู่พระด้วยกันก็ต้องมีการประชุมกันเวลามีกิจส่วนหวงก็ต้องมาประชุมกันพิจารณาตัดสินคะ น, นั้นก็แปลว่าตัดขาดจากสังคมไม่ได้ในแง่ของชีวิตของพระเองเนะี่ยสองก็ในแง่ของประชาชนก็บัญญัติมาให้พระเนี่ยหากินเองเนะี่ยจะไปเก็บเผืก เก็บมันมาฉันไม่ได้เก็บผ ล, ลไม้มาฉันเองไม่ได้ต้องให้ฝากท้องไว้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นตัววินัยที่ทําให้พระเนี่ยไม่สามารถตัดขาดจากสังคมเนี่ยท่านก็เลยให้พระเนี่ยอยู่ในป่าก็อยู่ไกลไม่ได้ยอยู่ห่างได้แค่เรียกว่าห้าร้อยชั่วทนูเท่านั้นเองก็500ห้าร้อยวานี ชั่วธนูก็คือวาหนึ่งทีนี้ห้าร้อชั่วธนูห้ารอวาก็หนึ่งกิโลเมตรสิเ้ก็หมายความว่าต้องอยู่ในเขตที่จะมาบินดาบาดได้เนี่ยชีวิตพระก็ตัดขาดจากประชาชนไม่ได้ก็ฝากท้องกับประชาชนแต่ไม่ให้ไปครุกคลีนะจะได้เป็นหลักให้แก่ประชาชนเพราะตัวเองนั่นมีหน้าที่พิเศษชาวบ้านเขาวุ่นวายกันเรื่องชีวิตของเขาหากินนะเสพอะไร ของพระนี่มุ่งในทางเรียกว่าทางนามธรรมทางด้านพัฒนาเช่นว่าดังด้านจิตใจได้เข้าถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาที่สูงก็นําเอาสิ่งที่ตัวได้เนี่ยมาแจกจ่ายประชาชนก็เลยเกิดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนี่พระสงฆ์ประชาชนมาเจอกันพระเจ้าก็ตัดไว้ให้พึ่งพากันและกันท่านเรียกว่าอัญโยนยานิสิตา ต่างฝ่ายตาเป็นนิสิตนิสิตาก็นิสิตเป็นอัญโยนยะอัญโยนยะก็แปลว่าซึ่งกันและกันอัญโยนยนิสิตาก็แปพึ่งพาใสยซึ่งกันและกันพระก็พึ่งโยมโยมก็พึ่งพระพึ่งยังไงก็คือว่าพระในพึ่งโยมในแง่ของปัจจัยสี่เรื่องวัตถุนัเรียกว่าอามิตรอามิตรก็ไม่เหมือนในภาษาไทยนะอมิตรก็คือวัตถุประเของสิ่งของปัจจัยสี่อะนี้เรียกว่าอามิตร ไทยเราถ้าพูดอามิตรแล้วเดี๋ยวเขาใจไปว่าเป็นไอ้พวกของที่มาให้สินจ้างศินบนเลยไปเลยเนะนี่อามิตรสินจ้างนะีใช่ไหมใช่ไหมคำบางอย่าอามิตรในที่นี้ก็คือวัตถุปัจจัยต่างๆพระก็พึ่งพาชาวบ้านส่วนว่าชาวบ้านก็พึ่งพาพระในแง่ที่ว่าพระเนี่ยได้ไปค้นคว้าศึกษามาพัฒนาตนเองมีประสบการณ์ทางคุณธรรมบุญวัญญาก็เอามาแจกจ่าย ก็เลยให้แก่กันและกันชาวบ้านก็ถวายเป็นเรียกว่าอามิสทานนะให้วัตถุสิ่งของแก่พระส่วนพระก็ให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานก็จํากันไว้ง่ายๆเลยหน้าที่ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนพระสงฆ์ก็ถวายอามิสทานพระาพระก็ให้ธรมนนะธรมทานให้ธรรมทานแก่ประชาชน นี่ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีก็จะทำให้โรคนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าเนี่ยต้องไม่ต้องการให้พระเนไปโดดเดี่ยวอยู่ต่างหาแต่ก็สัมพันธ์ก็ถ้าสัมพันธ์กันเพียงว่ามาพบกันด้วยมีข้อผูกพันที่พระตั้งพึ่งฝากท้องไว้แล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระได้พบแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะแนะนำสั่งสอนให้ความรู้อย่างน้อยก็ให้โดยไม่ต้องพูด ให้ทำนี่มีสองอย่างคือให้โดยพูดกับให้ไม่ต้องพูดให้กำพูดก็เป็นธรรมดาก็แนะนําสั่งสอนไปให้โดยไม่ต้องพูดก็คือพระปรากฏตัวที่ไหนนี่ต้องให้ประชาชนได้ความดีความงามได้จิตใจที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสให้พัฒนาขึ้นนะีอย่างว่าพระมีความประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบมีความสํารวมเป็นเครื่องหมายความไม่มีภยัยพระนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ความไม่มีภัยนะเป็นผู้สงบไม่มีภัยอันตราย พอประชาชนเห็นพระเมื่อไหรเนี่ยต้องจิตใจสบายโอ้นี่คือไปเจอพระปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยโร่งโลงใจแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้เจริญ ง, งอกงามเป็นตัวแทนของธรรมะเราได้ที่เราประสาทธะจิตใจเบิกบานทองใสนี่และจิตใจก็โน้มไปหาธรรมะเยเพียงได้แค่นี้ก็พระก็ ปรากฏตัวที่ไหนก็ให้โยมได้ธรรมะเมื่อ น, นั้นก็ได้จิตใจดีงามก็เป็นธรรมะแหละนะฮะให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดนี่ถ้ามีโอกาสก็ให้ธรรมะโดยการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตัวมีประสบการณ์อะไรก็ให้ไปและแต่ว่าให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดนี่แม้ยังไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็เพียงว่าประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบยียบวินัยก็ได้ผลแหละนั้นถ้าจึงเน้นเรื่องของการปรากฏตัวของพระทําไมาพระจึงต้องห่มผ้า ละมัดระวังจะต้องเดินสํารวมอะไรก็เพื่อเ น, นี้ยเพื่อประโยชน์กับประชาชนถ้าตัวเองก็ได้ฝึกหัดขัดเปลาไปด้วยฝึกตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็คือเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างน้อยมนุษย์เรานี้ก็ถ้าเราหวังดีต่อกันนะคนเราแต่ละคนก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีจเจริญตาจเจริญใจ นี้ก็แต่ละคนก็เป็นสิ่งเวทล้อเกันและกันคนเราแต่ละคนเมื่อปรากฏตัวแก่คนอื่นก็ควรทำให้คนอื่นเขาจิตใจสบายยิ่งเป็นพระด้วยก็ควรเป็นผู้นำนั่นก็ปรากฏตัวที่ไหนเมื่อไรโดยเฉพาะแก่ประชาชนก็ให้เป็นเครื่องชื่นชูจิตใจของประชาชนเนี่ยก็จะได้ผลทันทีนันก็เป็นหลักมาแต่โบราณเลยนะว่าวัดว า, ารามพระสงฆ์นี่ เป็นเครื่องจันลงจิตใจของสังคมทําให้สังคมเจะเลยงอกงามขึ้นในทางจิตใจตั้งแต่เพียงได้ความรู้สึกแล้วต่อจากนั้นก็ได้ทางด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจก็ได้ขึ้นไปเป็ปนําขัญ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญรับผิดชอบต่อประชาชนก็มีความสัมพันธ์ต่อการญาติโยมไปมาก็ทีนี้ถ้าพระสามารถก็ให้ความรู้แนะนําสั่งสอน นนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมของเราก็มาอาศัยหลักการเนี่ยก็พัฒนาจนกระทั่งว่าได้ผลในโบราณเรานี่ก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของพระกับประชาชนนี่จงกระทั้งว่าประชาชนมีความคเคารพเลื่อมใสามากที่กราบไหว้พระสงฆ์เห็นเมื่อไรก็จิตใจเขาผ่องใสเบิกบานเขามีความสุขได้ปิติชาวพระไปบิณฑบาตรนี่เห็นพระ เดินมาเป็นแถวสำรวมเดินเรียบร้อยสงบพมผ้าก็เรียบร้อยนะสมัยก่อนนี่ก็อยู่กันชนบทเนะี่ยเป็นทุ่งนาเนีนวัดก็อยู่ห่างออกไปแล้วก็เดินตัดทุ่งนามามาหมู่บ้านชาวบ้านตื่นขึ้นมากันนึกถึงเรื่องบุญกุศลก็ไปจัดเตรียมขันข้าวตักบาทมาเตรียมมายืนเข้าแถวกันตัวแต่ละคนก็คิดแต่เรื่องที่ดีตั้งแต่ตื่นนะเตรียมการกันนึกถึงบุญกุศล เริ่มวันได้จิตใจที่เบิกบานทองใสสดชื่นมีความสุขมาพบกันก็พูดถึงเรื่องว่าจะตักบาตรจะอะไรพูดถึงเรื่องดีงามนก็น้มนำจิตใจไปในความดีแล้วก็เตรียมนะชาวบ้านเขาก็ตั้งแถวนะตั้งโตตั้งขันอะไรเนี่ยลืดยืนถือแต่ยืนเป็นแถวนพระถ้าก็มาเป็นแถวเดินมาตัดทองทุ่งมาตามคันนาแสงแดดยามเช้าส่องมาต้องสีจีวรสดใสเนี่ย ญาติโยมเห็นทีวรนพระเดินมาก็จิตใจปรับปลื้มเกิดความปีติสดชื่นเบิกบานเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สัมผั์กับพระศาสนาเรียกว่าให้ผลตั้งแต่เช้าเลยทำให้จิตใจประชาชนมีความสุขได้เป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาก็มาแล้วก็กตักบาทไปนะฮะนี่ก็คือที่จริงสมัย ตอนที่เจริญงอ ง, งามแล้วถึงพระไม่ปินจะบาดก็ได้แล้วเพราะประชาชนเลื่อมใสามากก็เอาปิดโตไปไว้ตามบ้านมีลูกศิษย์อีกชาวบ้านก็มีลูกอายุเจ็ดขวบก็ไปแล้วไปวัดเนี่ยลูกก็ไปช่วยเอาบิดโตไปถึงพระไม่มาก็เอาบิดโตไปได้นีแต่ทีนี้ว่าเราถือเป็นกิจวัตรเนี่ยพอพระจะได้ทําหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลเข้าไปถึง ชีวิตจิตใจนะแล้วมันก็เลยคงทนอยู่ได้เนี่ยนี้ต่อมาเนี่ยตอนนี้สังคมมันชักวุ่นวายสับสนไปหมดจนกระทั่งประเพณีวัฒนธรรมมันเหลือมาในสภาพที่ขาดวิ่นวะาแหว่งไปหมดไม่สมบูรณ์นี่ถ้าหลักการรักษาไว้ไม่ได้ก็เสื่อมเราะนั้นเรากต็ตั้งหลักนี้ไว้ให้ดีพระสงฆ์เราก็ท่านก็วางหลักไว้อย่างในทิฏหกนฮะ ให้มีจิตใจในหวังดีตั้งใจอนุเคราะห์ญาติโยมประชาชนเนี่ยในทิฏโก็จะมีหลักว่าชาวบ้านมีหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แหละก็คือข้อควรปฏิบัติต่อพระสงค์อย่างไรและพระสงค์ควรปฏิบัติต่อชาวบ้านญาติโยมอย่างไรพระสงค์ก็ควรปฏิบัติต่อญาติโยมหกข้อหลวงลุงครับเพื่อจะไม่ให้หลับทิฏหพระสงฆ์ปฏิบัติต่อญาติโยมอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้างนะถ้าสงูงนะลืมกันเลยอะไ่าถ้าได้ข้อหนึ่งแล้วท่านไปได้อา้าวใครเริ่มข้อหนึ่งให้ให้ไปถึงว่าให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังสำหรับสิ่งที่ฟังแล้วให้ชัดเจนแจ่มใสเนี่แล้วให้จัดเจนแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้อะไรนี่นะ อะไรเริ่มข้ออะไรว่าไงมีก็ข้ออนุเคราะห์ได้น้ําใจอัน ง, งามนี่ก็ได้กี่ข้อละสี่ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังซ้ำทิ้งได้ได้ฟังได้รู้แล้วให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้คลายสงสัยแล้วก็หลงท้ายบอกทางสุขทางสวัสด์ให้ทีนี้ย้อนขึ้นมาข้างต้นก็มีอนุเคราะห์เด่นน้ำใจอัน ง, งาม แล้วก็อะไรทีเนี้ยเหลือสองข้อแล้วทีเนี้ยนะเนี่ยสองข้อหน้าที่ของพระติดติดกันอย่างเงี้ดีเพราะว่าจะได้เป็นจุดเน้นให้ไปสนใจพ้าไปเติมจะให้เต็มนีอีกสองข้ออีกสองข้อไปเติมให้เต็มหน้าที่ของพระนะฮะให้ไปค้นเลยนหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชนมีมากถึงหข้อ ในทิศหในหน้าที่ของคนอื่นพ่อแม่กับลูกลกลูกต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อสิทธิ์สิทธ์ต่อครูอาจารย์สามีต่อปัญญาปัญญาต่อสามีเพื่อนต่อเพื่อนอะไรเนี่ยคนงานในายงานมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรเนี่ยมีฝ่ายละหเท่านั้นเนี่มีพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่หกพิเศษกับเขาเนี่ยมากที่สุดนี่ก็บากทีพระก็ลืมหน้าที่ของตัวเอง อันนี้ก็ให้มั่นในหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยสำคัญมากเพราะการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยมองในแง่นหนึ่งก็คือการเกื้อกูลต่อประชาชนต่อญาติโยมหวังดีปรารถนาะดีต่อเขาแต่ที่จริงคือตัวเองนั้นได้ปฏิบัติธรรมก็ตัวเองก็คือฝึกตัวเองเมื่อเราประพฤติความดีต่อผู้อื่นช่วยเหลือก็คือผู้อื่นก็ตัวเราก็ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองมันไปได้กันแหละนะที่ว่า ประโยชน์แกผู้อื่นการทาประโยชน์กับตัวเองเนี่ยพัฒนาไปด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วยิ่งเราคิดหาทางทําประโยชน์เขาโดยทางชอบธรรมขึ้นมาเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองต้องคิดหาทางว่าทํำยังไงจึงได้ผลดีใช่ไหมงั้นเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเอง ตังนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่จะมองไปว่านี่เราจะไปทำให้แต่คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงนะทำให้คนอื่นก็คือทำให้กับตัวเองและทำในะสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นการฝึกไม่ใช่เป็นแบบว่ากินเสบกินเส พ, เสพแบบนั้นแย่งกันถ้าทำประโยชน์กับการแท้แล้วมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดเวลานี้ ในแง่ของประชาชนนี้ก็สำคัญไปวัดก็อยู่กับประชาชนแล้วก็ศาสนามีไว้เพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนอันนี้ก็ให้มานึกถึงหลักการใหญ่หรืออุดมคติของพุทธศาสนาให้มองเห็นว่าเรื่องของประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาชีวิตให้ดีจเจริญงอกงามขึ้นการประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์กันโลกเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันนั้น เราพูดถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเราก็จะพูดถึงพันิพานใช่พนิพาณ น, นี้ก็คือจุดหมายเพื่อตนแต่จุดหมายเพื่อตนนะั้นที่จริงก็คือไม่ได้ทาอะไรให้กับตนเองเลยฝึกตัวเองแนนหรว่าทำให้ตนเปลี่นจริงก็คือทำให้ตนเองหมดที่หนึ่งเพื่อนิพานไม่ได้เราทาเพื่อตน มันเป็นสัมนวนจริงทำเพื่อตนแต่ที่จริงก็คือทำให้หมดตนใช่ไหมนิพพานนี่คือหมดตนนั่นเองถ้าทำเพื่อตนอะไรแล้วนิพพานก็คือหมดตนใช่ไหมดับเลยตนพอพอถึงนิพพานก็หมดหมดตนแหละนี่ก็คือไอ้ตัวตนอัตตามันมีอยู่มันเรียกร้องมันเรียกหามันขาดมันพล่องมันหิวมันจะเอาเรื่อยทีนี้มันก็หาความสุขมันก็เบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกัน นี่เราก็พัฒนาไปพัฒนามาไอตัวตนก็คือความยึดมั่นในตัวตนมันหมดพอมันหมดมันก็เต็มอิ่มไม่ต้องหาความสุขไม่มีอะไรท่านเรียกว่าไม่มีกิจต้องทำเพื่อตนเองอต่อไปนะผู้ธิบรรลุนิพานนี่ไม่มีกิจต้องทำเพื่อตัวเองแม้แต่ความยึดมั่นในตนมันก็หมดไม่มีตนที่หยหิวไม่มีตนที่จะพร่องจะขาดนะ มันเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องหาพอมีความสุขเต็มอิ่มในตัวเองแล้วคราวนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่นั้นบุคคลก็นิพานไปนี่คือจุดหมายในการเจ ร, ริญใจสึกษาที่เราเจ ร, ริญใจสิกษาก็เพื่อจุดหมายเนี่ยก็คือเพื่อ น, นิพานในความหมายหนึ่งก็คือดับความยึดมันนนมดม่นในตัวตนก็ดับกิเลสหมดดับกิเลสเขารวมทั้งความยึดมั่นในตัวตนตัวตนมันก็ไม่มีในความยึดมั่นต่อไป มีแต่ตัวตนโดยสมมุติเรียกขานกันเท่านั้นเองเพระดับไอ้ตัวตนที่ยึดมั่นไว้ได้นี้ทีนี้มันก็ไม่มีตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัวหิวโหยเรียกร้องขาดพร่องแล้วก็มันก็มีความสุขเป็นต้นเต็มอิ่มในตัวท่านจึงเรียกว่าไม่มีกิจต้องตามเพื่อตนเองอีกทีนี้ก็มีจุดหมายพุทธศาสนาอีกข้อหนึ่งที่ว่าพระพชนะอิตายะพระชนะสุขายะโลกาณุ ก, กัมปา ย, ยะแปลว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่พระวูชนเพื่อเห็นแก่ หรือว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่แหละจุดหมายพุทธศาสนาก็เลยมารับอันที่สองพจุดหมายเพื่อโลกบุคคลนิพพานและกตินี้ก็ทําการเพื่อโลกได้เต็มที่เพราะฉะนั้นแปลว่อาอรหันต์ท่านก็ไม่ต้องมีเรื่องตัวเองแ ล, ล้วกจะจายไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแม้แต่พุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตรัสบ่อยๆว่าพระมรร์นี้หรือพระศาสานานี้ดํารงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะเพื่อชาวโลก อันนี้คือจุดหมายของพระศาสนาถ้ามองในแง่ตัวเองก็คือไปดับอัตตาดับตนเป็นนิพพานถ้ามองในแง่กว้างก็คือจะได้บำเพ็ญประโยชน์สู่แก่ชาวโลกพอตัวเองยิ่งดับความเห็นแก่ตัวดับไอ้เรื่องความยึดมั่นในอัตตาเท่าไรมันก็ยิ่งสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้เท่านั้นในระหว่างนี้ก็เราก็บำเพ็ญกิจเช่นว่าทําความดีฝึกตนเองไปในการฝึกตัวเองนี้ส่วนหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เมื่อเราประพฤติ ด, ดีต่อผู้อื่นก็เป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองไปด้วยตลอดเวลานะเราพูดดีต่อผู้อื่นเราก็ได้ฝึกตัวเองด้วยในทางวาจาเราต้องคิดว่าพูดยังไงให้เขาได้ประโยชน์ให้เขาจะเลยงอกงามให้เขาได้รู้เข้าใจได้เข้าใจธรรมะเราก็ต้องฝึกตัวเองให้พูดให้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็เดยได้ผลอีกอันนั้นก็ตั้งใจปรารถนาดีต่อญาติโยมอันนั้นก็เริ่มแต่จะไปบิณฑบาต เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอู้เราไปนี่เราจะได้อาหารมากเท่านั้นทนี้ไม่ควรไปคิดอย่างนั้นนะก็ไปและญาติโยมเขาเห็นประโยชน์เห็นพระมีคุณค่าเขาก็ถวายเป็นเรื่องศรัทธาแต่เราไปนี่ต้องตั้งใจไปเพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกจริงๆตั้งใจปรารถนาดีต่อโยมว่าให้โยมได้เห็นพระ เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้โยมเห็นแล้วก็จิตใจสบายได้ประสัดท่จิตใจผ่องใสเบิกบานให้เขาได้บุญได้กุศลตั้งใจดีนะคือตั้งใจดีต่อญาติโยมและนะแล้วการประพฤติตัวการเดินการอะไรมันจะไปเองไปเป็นเ พ, เ, พเพื่อจุดหมายที่ดีให้โยมนี่ได้ประโยชน์ตั้งใจดีต่อญาติโยมวัดที่นี่ก็เหมือนการอาญาติโยมมาวัด เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปมองว่าเออโยมมานี่จะเอาอะไรมาถวายพระจะเอาอะไรมาให้วัดไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปนึกเขาจะมาไงข้อสำคัญก็คือต้องมองว่าทาอย่างไรเราจะให้วัดของเราเนี่ยเป็นประโยชนนะ์สามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนญาติโยมที่มาวัดนะให้เกิดประโยชน์สุขโดยทำประโยชน์สุขโดยชอบทำไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ ไม่ชอบทำประโยชน์สุขที่ไม่ชอบทำก็มีใช่ไหมเนี่ยเมื่ั้นก็จะไม่ีเลยแปบลบว่าฉันก็ประเพนประโยชน์สุขของกันให้หวยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ชอบทำประโยชน์สุขที่ชอบทำก็ต้องเป็นเรื่องที่ถูกทำวินัยนะฮะก็อย่างน้อยก็เออโยมมาวัดแล้วเขาเห็นวัดร่มรื่นศาสะอา้ะอานมีธรรมชาติจิตใจเราท่านก็สงบรื่นลม โนมาสู่ธรรมหายกลุ่มหายกังวลหายทุกข์หา ย, หา ย, หายความเร้าร้อนจิตใจสบายสดชื่นผ่องใสเบิกบานนี่แหละเนะเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ญาติโยมเนะี่ยมาวัดเราได้ประโยชน์อย่างนี้พอเราคิดอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทําไงจัดวัดให้เพื่อกูนต่อจิตใจ ญ, ญาติโยมเนีนะ่ยแล้วก็ต่อจากนั้นก็อาญาติโยมให้ได้ประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นไปอีกเนะีย มาแล้วถ้าเรามีธรรมะธรรมะโดยตรงโดยพระสอนอบรมก็ได้นมีโอกาสก็พูดจาอธิบายไปหรือเข้ามาถามปัญหาก็ตอบชี้แจงให้หรืออาจจะให้หนังสือให้เทปอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการที่ทำให้ญาติโยมมาวัดแล้วได้ไประโยชน์สุขจากธรรมะจากพระศาสนานก็แปลว่าตั้งจิตตั้งใจแต่ในแง่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้ ญาติโยมประชาชนมาวัดแล้วเนี่ยได้ประโยชน์สุขอันชอบธรรมไปตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างจะดีเองไม่ต้องไปคิดว่าเออวัดเรานี่ทําไงจะเด่นทัดเราจะได้เป็นหนึ่งหรือว่าแน่อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดคิดแต่เพียงว่าทําไงให้วัดเนี่ยสามารถทําประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมตั้งแต่จิตใจเป็นต้นไป แล้วมันจะเป็นไปเองเราก็จะพยายามทําจัดวัดรมอะไรตอะไรให้มันดีนะฮะก็ น, นี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมในตัวเมื่อตั้งจิตถูกทางแล้วนะก็ทําหน้าที่ต่อประชาชนถูกต้องด้วยตัวเองก็จะพัฒนาเจริญาจศีกขาเป็นด้วยอันนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้เจริญาจศีกขาแล้วก็มีการรับผิดชอบทํากิจหน้าที่ของตนเองด้วย ทำกิจต่อส่วนรวมสง์ของเราเนี้ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยมีระเบียบมีความพักพร้อมเพรียงสามัคคีมีระเบียบวินัยอันดีเนีเช่นกิจวัดสวดมนต์แล ะ, ะอะไรเป็นต้นให้ญาติโยมมาแล้วก็ได้ฟังสวดมนต์แล้วจิตใจปรับรื่มนีมีความปีติผ่องใสแล้วก็แม้แต่เยียบเข้ามาวัดก็ให้ได้บรรยากาศที่ทําให้จิตใจ จเจริญยงอกงามทันทีนียก็ตั้งกันอย่างเงี้ยแล้วก็รับผิดชอบต่อตอนเองต่อวัดต่อสงฆ์ต่อประชาชนไปได้วยกันแล้วตัวเองก็จากการที่ทําหน้าที่ถูกต้องก็จเจริญพัฒนาไปก็วันนี้คิดว่าได้พูดกันมาก็พอสมควรไปรวมที่ว่าเนี่ยในที่สุดเราจะเริญนใจสิกขาไปก็ก้าวไปสู่พระนิพพานทุกทีนีก็จะดับเรื่องความยึดมั่นในตัวตนที่ เป็นที่แสดงออกสำคัญของกิเลสนีที่พูดกันภาษาชาวบ้านนี่ว่าความเห็นแก่ตัวแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้ได้บําเพ็ญประโยชน์กับชาวโลกก็เป็นไปตามคติว่าบุคคลก็บรรลุนิพพานแล้วก็บุคคลนั้นก็สามารถทําการทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขกัชาวโลกได้เต็มที่ก็ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็ดํารงอยู่ ด้วยดีอย่างถูกต้องนะียมั่นค ง, ย, งยั่งยืนนี่ถ้าพระไม่ทำตามหลักนี้ก็บําเพ็ประโยชน์ที่ผิดเนี่ยสังคมก็เสื่อมด้วยตัวพระเองก็ไม่จะเลยงองงามเสียไปด้กันหมดทุกอย่างก็ขอให้เราได้ช่วยกันทำตามหลักการที่กล่าวมานี้ก็จะได้เกิดผลตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ทั้งเป็นจุดหมายที่ทงตัดเพื่อประโยชน์ของแต่ละบุคคลและก็ ให้บุคคลนี้สามารถทำประโยชน์สุขกับชาวโลกอย่างที่ว่ามาก็ข อ, อนโนมทธนาก็ขอให้ทุกท่านโดยเฉพาะพระใหม่ที่ท่านตั้งใจได้มาบวชจำพรรษามีเวลาประมาณสามเดือนนี้ให้บำเพ็ญตามหลักตายศกขาตามแนวทางที่ว่ามานี่ให้ได้ผลดีโดยตั้งใจจริงว่าเรามีเวลาแค่นี้ ประมาณสามเดือนนี้ทําให้ได้ผลเต็มที่เลยให้บรรลุจุดหมายให้ได้มากที่สุดแต่จะในแง่ตัวเองก็ถือเป็นกําไรชีวิตที่แท้ให้เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มพูนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ต่อไปในการภายหน้าอันยุยาวของชีวิตเนี่ยอยู่ในความทรงจําที่ดีงามให้นึกมาด้วยความปลาบปลื้มใจและก็สามารถ นำเอาสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาได้ปฏิบัติเป็นประสบการณ์นี้ไปเผอแพร่ขยายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ท่านผู้อื่นแก่สังคมแก่ชาวโลกต่อไปก็ขอให้ท่านเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยทุกเมื่อเทิน